3.1 เส้นทางการปฏิบัติธรรมเส้นทางการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเส้นทางสายเดียวสำหรับผู้เข้มแข็งเป็นเส้นทางที่ต้องเดินคนเดียวผู้ปฏิบัติต้องทำด้วยตนเองไม่เชื่อเรื่องงมงายนอกจากเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมและต้องลงมือทำสิ่งที่ดีด้วยความอดทนในวงเล็บขันติต่อคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์อดทนต่อการเล่าเรียนอดทนต่อความยากลาบากของร่างกายและอดทนต่อกิเลส ต้องเข้มแข็งต้องเด็ดขาดเป็นนักรบที่เอาชนะใจตัวเองให้ได้ชนะแล้วไม่ครอบครองเพราะถ้าครอบครองวันหนึ่งจะสูญเสียรวมถึงต้องมีศีล ร, รักษากายและวาจาเพื่อไม่ทำบาปอากุศลเชก่อนเป็นเบื้องต้นจึงจะสู้กับกิเลสได้การปฏิบัติธรรมเหมือนการกินข้าวเมื่อกินจนอิ่มจะหยุดเองโดยจะเห็นการพัฒนาของจิตว่าเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจึงคลายกาหนัดเมื่อคลายกาหนัดจึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว